เห็นห ม, มนเนี่ยประโยชน์นี่เราคานึงจริงๆว่าประโยชน์สำหรับเขาจริงๆว่าถ้าเขารับประมาณนี้แล้วจะเป็นผลดีสำหรับเขาเออเขาได้รับกลุ่มทรัพย์นี้แล้วเขายินดีได้เขายังพอใจได้อยู่แล้วเขาก็เอาไปสู้ไปฝืนกิเลสเขาได้อยู่แต่ถ้ามันเกินกว่านี้แล้วเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกับภิกษุมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมอาจารย์สอนโอ้โหบอกศีล ใ, ให้ภิกษุว่า นี่เธอจะต้องถือศีลอย่างนี้ๆๆๆข้อนะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยสูตรต่างๆนี่บอกให้หมดเลยภิกษุอบอกว่าขอลาศึกไปไม่ไหวไปไม่รอดนะบอกโอ้โหถ้าต้องถือศีนเยอะขนาดนี้ขอศึกไม่ไหวพระพุทธเจ้าตําหนิเลยว่าเลยว่าอาจารย์ น, น, นะว่าอาจารย์ที่บวชภิกษุนี่มาเป็นอุบาชาบอกว่าเธอไปบอกอย่างงี้กับ ภิกษุลูกศิษย์อย่างนี้ได้ยังไงนะตําหนิว่าอาจารย์เลยพอว่าเสร็จแล้วก็เลยไปถามภิกษุรูปนั้นนะที่จะมาขอศึกนะว่าเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสําหรับเธอเนี่ยนะเธอถือศีลแค่สามข้อได้ไหมนะให้ระวังกายให้ระวังบาจาให้ระวังจิตของเธอเนี่ยนะให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์เธอจะทําอะไรก็แล้วแต่นะแต่ให้ระวังสามอย่างเนี้ยก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ จตเนท่านรู้กิเลสคนท่านรู้ขีดความสามารถของคนแล้วพอบอกอย่างนี้ไปไอ้ภิกษุฟังอะไรแค่สามข้อนี้เองเลยถ้าแค่สามข้อนี้โอ้ทำได้ภิกษุรูปนี้ก็ไปภาคเพียรทำทำจนรู้ทำาจนเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็นะบวชเป็นภิกษุสงฆ์เนี่ยต่อไปได้เนี่ยอันนี้แหละนั่นก็คือหัวข้อนี้ที่ให้มองเห็นว่า เราจะประมาณขนาดไหนที่ทำให้คนนั้นเนี่ยเขาได้ประโยชน์จริงๆซึ่งตรงนี้ยากนะจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าการประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วก็ต้องเป็นประสบการณ์เป็นการฝึกฝนด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยกว่าเราจะรู้ตัวอาตมาเองยังเคยเลยเคยแต่ก่อนนี้อาตมาเคยก็ทำปฏิสันฐานก็เคยทำมาเคยมีจำได้มีญาติธรรมเราเนี่ยแหละ มาเสร็จแล้วก็มาคุยด้วยเอามาคุยครั้งที่หนึ่งมาคุยครั้งที่สองมาคุยครั้งที่สมก็พอจะรู้จักกันขนาดหนึ่งแล้วปรากฏว่าอาตมารู้สึกว่าเอ๊ะคนดีนี่มาพูดที่ไรก็ซ้ําไม่เรื่องเก่ามาพูดที่ไรก็ไม่เห็นจะดีขึ้นทักทีวันนี้ขออดัดแรงๆเลย<笑><笑>โอ้โหอาตมาจําได้ว่าอาต ม, มาว่าเขาแรงมากเลยถ้อยคําที่ใช้ใช้แบบชนิดที่เรียกว่ารุนแรง พอว่าเขาไปเสร็จแล้วก็ไม่เห็นหน้าเขาอีกนานเลยนะแล้วก็เลยมารู้ตัวเองว่าโอ้เรานี่มันเกินไปเราเกินไปจริงนะเขาเข้าใจว่าอาตมาเจตนาดีไม่ใช่เจตนาลายตรงนั้นเขาเข้าใจแต่เขาเขาฟังสำนวนภาษาความรุนแรงที่เราให้เขาเขารับไม่ไหวแลเขาก็เลยหายไปนานเลย จนตอนหลังเนี่คยคล้ายๆว่าคงทําใจได้มึ่อเขาก็เลยค่อยๆกลับเข้ามาที่วัดอีกทีหนึ่งแล้วก็นั่นแหละก็ก็ต่อจากนั้นมาก็มาได้ตลอดอตมาหลังจากที่เจอเขาหลังๆก็พูดดีๆแล้วก็นี้ไม่กล้าไปรุนแรงอะไรกับเขาเกินไปคือตรงเนี้ยเราประมาณไม่เก่งแต่มันบทเรียนหรือว่าความรู้จริงๆที่เราจะได้ มันก็จะได้จากภาษาจริงๆเนี่ยแหละที่เราค่อยๆฝึกค่อยๆติค่อยๆว่ากล่าวคนเออแล้วว่าขนาดไหนแล้วทำให้คนดีขึ้นบางคนก็ต้องพูดแรงๆหนักๆเหมือนกันทำให้เขาดีขึ้นมีแต่เราประมาณดีหรื อ, อยังตรงเนี้ยแล้วเราเนี่ยพูดง่ายว่าชํานาญขึ้นขนาดไหนแล้วซึ่งอยู่ที่การฝึกฝนแล้วละ่ะซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โห เราจะทำประโยชน์ท่านได้ดีมากเลยถ้าประโยชน์ตนของเราก็จะดีด้วยเพราะว่าเราจะประมาณใครเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเราด้วยใช่ไหมเนี่ยมันได้ฝึกดูตัวเองด้วยประโยชน์ตนของเราเราก็จะได้ด้วยนะเอาสุดท้ายนะข้อที่หซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่จะไล่ย้อนขึ้นไปในสข้อนั้นว่าสข้อทั้งหมดอะ่ะไม่ว่าจะลูกกาลเทศะจะต้องเป็นคาจริง จะต้องเป็นคําสุภาพจะต้องเป็นประโยชน์กับเขาแล้วข้อที่ห้าก็คือจะต้องมีเมตตาจิตเพราะถ้าข้อนี้ไม่มีนะข้ออื่นๆไม่ต้องพูดถึงนะจะต้องมีเมตตาจิตแม้ว่าบางครั้งเราจะปิดพลาดไปนะแต่ถ้าเรามีเมตตาจิตจริงๆจะแม่เรามารู้ตัวภายหลังอย่างที่อาตมายกตัวอย่างว่าเรามารู้ตัวภายหลังว่าโอ้เรานี่ไม่น่าเลยเราพูดรุนแรงเกินไป เราประมาณผิดแต่ถึงอย่างนั้นนะ่แต่เราเจตนาดีอะเรามีใจที่เมตตากับเขาจริงๆไม่ได้เสแสร้งไม่ได้แกลง้งถ้าเราชัดประเด็นนี้นะเราก็จะเออา น, น้อยเราก็ยังไม่ไม่รู้สึกว่าเราไปผิดพลาดอย่างอื่นแต่เราพลาดตรงเรายังไม่เก่งประมาณยังไม่ดีแล้วเขาด้วยคนี้เขาเองเขาก็จะชัดตรงนี้เหมือนกัน เออเราไม่ได้มีเจตนาอื่นเรามีเจตนาที่ดีกับคนนี้เพราะบางทีเนี่ยเขาจะไม่ชอบใจมากขนาดไหนก็ตามแต่เขาจะไม่มาแค้นคุณเขาจะไม่ถึงขั้นมาจองเวรมาก่อกรรมทำเข็นอะไรด้วยหรอกแต่เขาไม่ชอบลหละเพราะอาโศกเนี่ยจะอยู่รอดได้เนี่ยเราจะต้องมีเมตตา จ, จ, จริงๆนะประเด็นตรงเนี้ยแล้วก็ทำให้อโศกเราอยู่ได้ไปถามจริงๆว่า ชาวบ้านชาวช่องก็จะชอบอย่างอาโศมสักสแค่ไหนเอา้าเขาไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่หรอกนะถ้าวัดปริมาณหรือวัดจํานวนไม่ชอบหรอกแต่บางทีเขาต้องยอมรับอยู่อย่างว่าเอ้ยเราเองเราปรารถนาดีกับสังคมกับชาวบ้านชาวช่องเขาจริงจริงแม้ว่าบางทีว่ากล่าวนะว่าเขาบางทีก็หนักบ้างเบาบ้างก็แล้วแต่เราก็ว่าจริงๆริแต่เห็นไหมถ้าเขาชัดตรงนี้นะ เขาไม่มาเคียดแค้นไม่มาชิงชังเราถึงขั้นจะมาฆ่าแกงมาอะไรเราเพราะลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพุท ธ, ธะเนี่ยผู้ที่เข้าถึงพุท ธ, ธะจริงๆแล้วจะมีเมตตาจิตตรงนี้จนกระทั่งทำให้ไม่มีใครมาสามารถที่จะมาเบียดเบียนหรือว่ามาทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ถึงแก่ความตายได้อันนี้เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้ที่มีพุท ธ, ธะ มันใครมีพุทธะจริงๆแล้วไม่โดนคนฆ่าตายไม่มีเด็ดขาดถ้าคุณคุณเข้าถึงพุทธะแท้ๆแล้วนะคุณจะไม่ตายด้วยน้ำมือคนอื่นยกเว้นไปมีอนันตรียกรรมมาเท่านั้นเองนะที่ไปเบียดเบียนไปทำร้ายอะไรไว้หยาบหยาบอ่ะจนกระทั่งจะต้องมาชดใช้หนี้เวีย น, นีกรรมนั้นอันนี้ยกเว้นอันนี้เท่านั้นเองเหมือนพระโมคคัลลานะอย่างเงี้ย ก็ต้องโดนโจรฆ่าตายเพราะว่าท่านไปทำอนันติยกรรมไว้แต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะถ้าใครศึกษาปฏิบัติธรรมะให้ดีแล้วนะ่าเข้าถึงธรรมะได้แล้วก็มีพุท ธ, ธะเกิดขึ้นในจิตในใจเรากจริงๆจนมีเมตตาได้สมบูรณ์ขึ้นมากขึ้นเนี่ยไม่โดนใครฆ่าตอนนี้มาพูดถึงในหมู่กลุ่มเราเองถ้าใครมีใจเป็นพุท ธ, ธะ ก็เกลียดเพื่อนฝูงไม่ลงล่าวนี้นะย้อนมาพูดถึงหมู่กลุ่มเรานะแม้ว่าบางคนเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบเลยทำไมคนนี้ชอบทําอย่างนี้่ปากก็มากมือก็ไวใจก็เร็วไม่ชอบเลยนิสัยแบบเนี้ยแต่ว่าเขาก็มีมาตรฐานขนาดนึงนะเาก็อยู่กับหมูได้แต่เราไม่ชอบใจเลยถ้าเรามีพุทธะในใจเนี่นะคุณก็ไม่ไปเกลียดไม่ไป ถือสาเขาหนักนะสาหัสสากัรอะไรจนชนิดที่เรียกว่าทำงานร่วมกันไม่ได้พูดกันไม่ได้อะไรไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะถ้าใครปฏิบัติทำแล้วเข้าใจตรงนี้เห็นไหอันนี้ย้อนมานาตรงยิ่งถ้าเราเตือนคนอื่นเนี่ยเราจะว่าเราจะบอกกล่าวเพื่อนฝูงจริงๆข้อเ น, นี่ยนะต้องเป็นข้อต้นเลยแต่อันนี้เข้าออมารวบท้ายนะย้อนขึ้นไปข้างบนต้องเป็นข้อต้นเลย นะที่จะต้องตั้งจิตเนี่ยให้เมตตาให้ได้นะ้วถึงจะพูดถึงจะติงเตือนเพื่อนสังเกตไหมว่าถ้าเราพยายามให้มีจิตปรารถนาดีจิตมีเมตตากับใครเนี่ยนะมีไหมแบบว่าโอ้โหเตือนเพื่อนด้วยชนิดที่เรียกว่าอะไรอะเสียงดังๆังหน้าดุดนะใช้คำพูดหยาบๆยบเตือนเขาอะไม่มีหรอกถ้าคุณพยายามสร้างจิตให้เมตตามากๆใช่ไห แม้คุณจะใช้คำรุนแรงยังไงก็ตามความเมตตาเนี่ยมันจะผส ม, มเข้าไปด้วยในคำแรงนั้นๆมันจะผสมเข้าไปเพราะมันจะทำให้ในความแข็งมีความอ่อนนุ่มอยู่ด้วยซึ่งจะทำให้เขารับได้ยกเว้นที่ใครหนาพิเศษเราจะไปเตือนใครที่หนาพิเศษถ้าใครหนาพิเศษขนาดนั้นอาตมาว่าให้ผู้ใหญ่เตือนแทนเธอ ถ้าเราคงน่ายกไว้ก่อนเถอะหรือก็ใช้หมู่เตือนเลยไม่ใช่แค่เฉพาะเราเตือนแล้วแต่บางทีอันนี้มันไม่ใช่อะไรอื่นไกลหรอกคนใกล้ชิดกันคนทํางานด้วยกันบางทีก็คนรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเอ้าทําไมอ่ะทําไมเราจะสร้างเมตตาจิตเพิ่มแล้วก็พูดติ้งเตือนพูดบอกกล่าวอะไรกันไม่ได้เลยเพราะมันจะทําให้นุ่มขึ้นจริงๆ แม้กูจะใช้คํารุนแรงยังไงก็ตามบอกแล้วมันจะมีความนุ่มเนี่ยอยู่และความนุ่มเนี่แหละที่ทําให้เพื่อนฝูงก็ยังรับได้และเพราะรับได้นี่แหละเขาถึงไม่มาอาฆาตปยาบาทจองเวรเราเพราะเขารับตรงนี้ได้แม้เขาไม่ชอบใจก็ตามแต่เขายังสัมผัสได้ถึงตรงนี้ยิ่งถ้าคนนั้นมีความจริงใจนะจริงใจที่จักความรู้สึกจริงๆคือคือ จับกิเลสตัวเองออกนะแล้วก็รู้กิเลสตัวเองจริงๆเราก็มีส่วนไม่ชอบใจเขาอยู่นะแล้วก็เลยว่าไปว่าไ ป, าไปสอนเขาไปอย่างเงี้ยเรามีส่วนกิเลสตัวนี้อยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีเมตตาเราพยายามสร้างเมตตาในการพูดในการบอกเขาเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมันมากกว่ามากกว่าความไม่ชอบใจของเราอันตาถึงบอกเขาก็สัมผัสได้เหมือนกันเขาจะรับได้ แม้ว่ามันมีกิเลสผสมเข้าไปบ้างก็ตามแล้วอย่างเงี้ยถ้าเขาเกิดไม่เป็นไปอย่างที่เราบอกกล่าวเพราะก็แปลกนะคนเราเนี่ยให้คุณทรัพย์ใครไปเมื่อไหร่ก็ดูอยู่เหมือนกันนะว่าคนที่รับคุณทรัพย์ไปแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมคอยดูอยู่เรื่อยนะเอ้นี่เคยบอกว่าพูดน้อยๆหน่อยซีเนี่ยพูดมากบอกไปแล้วก็คอยดู เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูที่จะพูดมากมากับกบบคนเนี้ยคอยจ้องระวังอย่าคอยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีจิตเมตตาอยราให้ไปแล้วแล้วมันจะไม่ค่อยไปคอยจ้องอย่างนี้หรอกไม่ไปจ้องแบบจับผิดนั่นเองอย่าไม่ไม่ไปจ้องจับผิดแต่มันรู้นะว่าเอ้ยเขาก็ยังพูดมากอยู่บางทีก็เตือนอีกเตือนแล้วก็เตือนอีกแต่บอกแล้วถ้าเราพยายามมีเมตตาเนี่ยการเตือนเนี่ยมันจะไม่ แบบว่าก้าวเ้าไม่รุนแรงไม่ชนิดที่เรียกว่าเอาเป็นเอาตายก็บางทีอินทรียพระเขาเนี่ยมันมันยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเรายังไม่สามารถที่จะไปให้เขาเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นได้แม้แต่ตัวเขาเองบางทีเนี่ยเขาพยายามสู้ก็ตามบางทีเขาก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้ฉับพลันทันทีแต่บางทีความใจร้อนของเราความใจเร็วของเรา เราก็อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงเร็วๆเพราะถ้าเรามีจิตเมตตาเดีย๋ยมันจะไม่คอยไปจ้องไม่ไปคอยไปจับผิดเกาเปลี่ยนแปลงยังวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนแปลงยังมาลืมเปลี่ยนแปลงยังเอาแล้วไม่รู้ตัวแล้วนะมาเริ่มสะสมเข้าอีกแล้วนะสะสมไอ้การเพ่งโทษไอ้หมักหมมความอากุศ ล, ลจิตเข้าไปอีกแล้วนะไม่รู้ตัวทั้งที่จริงๆมันก็มีความหวังดีความปรารถนาดีอยู่ด้วยน่นแหละ แต่เริ่มสะสมกิเลสเพิ่มขึ้นไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะตรงเนี้ถ้าเราเองเราปฏิบัติธรรมนะแล้วก็พยายามเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้นะมันจะทําให้เราเนี่ยบอกแล้วว่าจะทํานาตัวเองด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ช่วยทํานาเพื่อนด้วยแต่จะไม่ลืมนาของตัวเองเพราะมันจะทําให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะได้มรรคผลเพิ่มขึ้นจริงๆ แล้วจะเร็วไวจะเห็นเลยว่าสภาวะอารมณ์จิตของตัวเองอ่ไม่ว่าจะกายกรรมไม่ว่าวจีกรรมไม่ว่ามโนกรรมก็ตามเออพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ไวหลายอย่างที่บางทีเรามาอยู่ที่วัดแล้วเราเคยไม่ชอบใจคนนั่นคนนี้เคยถือสาหลายอย่างเรารู้สึกว่าเออเราเบาลงละเดี๋ยวนี้ปฏิบัติแล้วเบาลงไม่ไปถือสาเหมือนเดิมหลายอย่างที่เราเคยไปติดยึด ไปปูกพันุ์อย่างนั้นอย่างนี้เออพอมาปฏิบัติรำแล้วก็รู้ตัวแล้วก็พยายามฝืนพยายามพลาดบ้างนั ม, มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ไปติดไม่ไปหลงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยมันจะมีสติทั้งสองส่วนนะัทั้งรักทั้งชังเราจะรู้ตัวเราเองเนี่ยได้ดีขึ้นนะัซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆก็คือเป้าหมายคือจุดประสงค์ที่เราเองอยากที่จะ ให้มันเกิดให้มันมีให้มันเป็นในชีวิตเราจริงๆแต่บอกแล้วบางทีบางคนมาอยู่กมูมิตรีสหายดีเหมือนมาอยู่สวรรค์เหมือนเทพบระบุเทพพิดาได้มาอยู่สวรรค์บางทีก็หลงเพลิดเพลินกับสวรรค์เพลิดเพลินเพราะว่าเริ่มสบายขึ้นเริ่มสบายขึ้นเพลิดเพลินไปเพลิดเพลินมาลืมลืมตัว การลืมตัวเนี่ยมันทำให้บางทีก็เลยติดแงกอยู่อยู่อย่างนั้นน่มันไม่พัฒนาแล้วมันก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็หวังว่านะพวกเรามาในที่นี้แล้วอย่าลืมเป้าหมายนะอย่าลืมอะไรจุดประสงค์ที่เรามาแล้วก็มั่นถามตัวเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ให้ภิกษุนะมันพิจารณาตนเสมอๆว่า บัดนี้เราเป็นอะไรอยู่นะปฏิบัติธรรมหรือเปล่าบัดนี้บวชมาแล้วเนี่ยเนีย่ยเป็นนักบวชอยู่รู้หรือเปล่ารู้ตัวเปล่าว่าหัวโ ล, ล, <c oughs> ล่นๆนะต้องรู้ตัวต้องมีสติแล้วก็หมั่นพิจารณาแล้วก็วันคืนล่วงไปล่วงไปอะ่ะเอาเป็นยังไงอะ่ะอยู่เหมือนเดิมหรือว่าแยกกับเดิมหรือว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นแบบไหนอนะสิ่งเหล่านี้ ต้องคอยหมั่นแล้วลึกแล้วก็หมั่นเตือนตัวเองบ่อยๆทั้งงานนอกทั้งงานในเป็นยังไงบ้างงานนอกเออขอยันขึ้นนะดีขึ้นไหมงานในอะ่ะคอยจับกิเลสตัวเองได้หรือเปล่าแล้วก็ล้างกิเลสตัวเองลงไหมเพราะาบางคนเนี่ยเก่งงานนอกโอ้โหทำได้ดีทำได้เยอะแยะแล้วก็ภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองมากมายแต่งานภายในโอ้แย่ อารมณ์ก็ฉุนเฉียวง่ายถือสาคนง่ายนะทําอะไรก็มักจะต้องตามใจตัวเองอาหารการกินนะมื้อเดียว ก, ก็กินไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้กินจุกกินจิบเพิ่มขึ้นแต่ก่อนรองเท้าไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วอ่หลายอย่างที่บางทีเนี่ยใช่ไหมเราเคยทํามาได้ดีๆอ้าวทาไมเดี๋ยวนี้ชักเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเอ๊ะทำไมเราชักจะหย่อนลงหรือว่าเสื่อมลงอะ่ะ อย่างเงี้ยดูจากความเป็นจริงของตัวเองแต่ก่อนนี่ก็โอ้ไม่เห็นอารมณ์ฉุนเฉียวไม่เห็นพูดจาแข็งกระด้างแบบนี้เลยนี่แต่ก่อนนี่ยแต่ก่อนยังไม่มาอยู่วัดไปซ้มมนนะําไปนะเอ๊ะทาไมมาอยู่วัดแล้วอะไรนะจริงจังจริงใจจริงโจ้กระโดดใหญ่เลยกระโดดใหญ่เลยนะโอ้โหประเภทคนนี้โอ้โหทําไมพูดจาอะไรโอ้โหทําไมมันกล่าวเล้ารุนแรงนั่นแหละ เออ ย, ยิ่งปฏิบัติธรรมมันยิ่งต้องใช่ไหมสุภาพได้มากขึ้นทียิ่งสามารถที่จะติง้งเตือนบอกกล่าวอะไรเนี่ยไ ด, ได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แย่กว่าเดิมเนี่ยก็มันพิจารณาตัวเองจนกระทั่งเราเนี่ยนะเห็นความเป็นจริงเลยว่าเออเราพัฒนาขึ้นจริงจริงเราดีขึ้นเพราะคนที่พัฒนาขึ้นดีขึ้นมองเห็นความจริงตามความเป็นจริงของตัวเอง ว่าเราดีขึ้นจริงจริงเราไม่ได้แย่กว่าเดิมเลยไม่ได้เลวกว่าเดิมนี่เราดีขึ้นแต่ระวังอย่าอภิช ป, ปาคืออย่าไปตันหาล้ำหน้าเท่านั้นเองคือมันมองเกินความจริงที่ตัวเองมีจริงระวังกิเลสตัวนี้ก็ทำให้เศร้าหมองทําให้เศร้าหมองเพราะบางทีเนี่ยแหมอยากเป็นพระาราหันในห้าวันเจ็วันแต่นี่มันห้าสิบปีห้าปีสิบปีเข้าไปแล้ว มันยังไม่เป็นเลยอ่ะอย่างเงี้ยคือมองเกินความเป็นจริงที่ตัวเองในชีวิตจริงๆที่มีอยู่แล้วก็เป็นอยู่เนี่ยนะมันเป็นความโลภมันเป็นความอยากของกิเลสเราที่เกินความจริงเรายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่อยากให้เป็นขนาดนั้นมันก็เลยตีกับก็ทำให้เศร้าหมองนะทำให้หดหู่ทำให้น้อยอกน้อยใจตัวเองถ้าสายโทรศก็บางทีก็หงุดหงิดงุนงาน รำคาญอยากจะให้ดีไวๆแล้วไม่ได้ดีสักทีนี่กับตัวเองนะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะอยากจะให้คนอื่นดีไวๆอันนั้นอันนั้นง่ายอยู่แล้วเห็นเห็นได้ง่ายแต่อันนี้นะ่ะอยากให้ตัวเองได้ดีเนี่ยบางทีบางคนลืมไม่ทันมองไม่ทันเห็นนะว่าเออมันเป็นความโลภล้ำหน้าเกินไปไปหลงตัวเองว่าตัวตัวเองวิเศษพิโสจนเกินไป แหมบางทีเลยทําผิดทําพลาดไปบ้างเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตหรอกนะมันบกพร่องบ้างมันพลาดบ้างก็ไปหลงคิดว่าตัวเองเนี่ยโหแย่เหลือเกินเลวร้ายเหลือเกินอย่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วศึกซะดีกว่ามีนะความจริงมีมาแล้วนะเรื่องพวกนี้ในสมณะอโศกก็ตามมีตัวอย่างมาแล้วทั้งสิน้นว่าอันนี้เนี่ยมองเกินความเป็นจริงแต่มองในแง่ทําร้ายตัวเองเกินไป ท, ทั้งทั้งที่จริงนะถ้าเปรียบ โอ้โหเราดีกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะเนี่ยลดละ ก, กิเลสมาก็ได้ตั้งหลายเรื่องเนื้อสัตว์ก็เลิกมาได้แล้วบางคนก็ลดมือมาจากจุบจิบมาเดี๋ยวนี้เหลือน้อยมือลงมาแล้วเลิกใช้เงินใช้ทองมาได้แล้วยิ่งมาเป็นนักบวชโอ้โก็ทําได้แฮแต่บางทีก็กามมันยังไม่หมดโทสะบางทีมันก็ยังไม่หมดอ่ะมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่อ่ะเพราะบางทีนานๆมันโผล่มาทีเนี่ยโอ้โหมานั่งน้อยอกน้อยใจอกไม่ได้หรอก แต่ควรจะรู้ความจริงว่ากิเลสเรายังมีอยู่น่าจะดีใจด้วยซ้ำไปว่าเออได้เห็นกิเลส ช, ชัดแล้วจะได้ไม่หลงตัวเองแล้วเมื่อไม่หลงตัวเองเนี่ยแหละก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเออจริงๆฐานเราแค่นี้แค่นี้ไอเปลือกภายนอกเนี่ยสมมติสัจจะเนี่ยไม่รู้แล้วมันจะขนาดไหนก็แล้วแต่ละแต่โดยปรมัตถสัจจะที่เราสะสมมรรคผลของเราได้จริงเนี่ยจริงๆมันแค่นี้ จะได้หัดยอมรับความจริงของตัวเองเมื่อรับความจริงตรงนี้ได้แล้วก็เออมันดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมนี่แม้เราจะได้มรรคผลแค่นี้ก็ตามใช่ไหมแต่มรรคผลที่ดีกว่านี้ยังมีอีกไงเออเราถ้าเราทําได้มากกว่านี้เราก็จะยิ่งเจริญขึ้นยิ่งดีขึ้นไปกว่านี้อีกเพราะมันก็มีอย่างเดียวว่าเออก็ภาคเพียงขึ้นไปอีกพยายามกึนไปอีกมันถึงจะดีขึ้นไปกว่านี้อีกนะเอาณนะมุมนี้ นะพูดสิ่งเหล่านี้ให้ฟังเพราะว่าก็บางทีบางคนนะอยู่วัดนานๆเขาน่าจะเรียกว่าแก่วัดก็ตามนะหรือว่าชลาวัดก็ตามแก่ชลามากเขา้าแก่วัดอนาะชราวัดเนี่ยมากๆเข้ามากๆเขา้ า, า, า, ขาบางทีเพี้ยนได้เหมือนกันนะถ้าขาดการหมัน่นพิจารณาตัวเองอย่างถูกทางเนี่ยเพี้ยนได้เหมือนกันเพราะนั้นก็พยายามนะพิจารณาให้ถูกทางขึ้น นะให้เป็นความจริงได้มากขึ้นแล้วเมื่อเรารู้ความจริงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนตัวเราให้เจริญขึ้นเราอยู่ท่ามกลางหมู่มิตร ด, ดีสหายดีกูบาอาจารย์ที่ดีแล้วอย่าให้พลาดประโยชน์นี้ไปเราควรได้ประโยชน์นี้ให้เต็มที่เพื่อที่เราเนี่ยจะได้พ้นทุกทุกที่มันเกิดจากกิเลส ข, ของเราเนี่แหละเยอะแยะมากมายแล้วเราก็จะได้ทาให้มันเนี่ยหลุดล่อนล่วงออกไปได้ ชีวิตนี้เราจะได้อยู่อย่างผาสุขขึ้นจิตก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ผ่องใสได้มากขึ้นวันนี้ก็คงยุติการทําบันไปเพียงตอนนี้